นะโมตัสสะพะคะวะโตะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตภะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตภะรหะโตสัมมาสัมพุทธะอนิจจาวตังคารา อุ ป, ปาตวะยธรรมมิโนอุ ป, ปัชิตวานิรุชานติเสร้างหูปสมโมสุโคตี อ, <c oughs> อันนี้จะได้แสดงธรรมเพื่อเป็นที่เรียกและข้อปฏิบัติ แต่ท่านุทธศษา ส, สนิกชนทั้งหลายในขณะที่ฟังธรรมกรุณาพากันตั้งใจฟังให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์อย่าฟังให้เป็นจักแต่ว่าพิธีเพรา ะ, ะาศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพธธุทธเจ้าที่ทรงฝนฝ่ายจะเกียกตะกายมาสอนโลกนั้นไม่ได้ ร, รมเพียงเป็นพิธี แต่ทรงสละเป็นสละตายจริงๆกว่าจะได้จัดสะรู้ธรรมจะพูดถึงเรื่องความพยายามใดๆพระองค์ทรงทุ่มเทลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเป็นพระพุทธทเจ้าเนะ่เพื่อเป็นศาสดาสอนโลกให้หลุดพ้นจากทุกจากหลงสารเป็นลำดับลำดานหะนึ่งจึงต้องทรงฝนฝายเอามากมาย บรรดาพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์ทรงผลนขวายสร้างพระบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าและเพื่อความรูอผลตัดออกจากโลกนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครเสมอเหมือน <c oughs> แม้เวลาได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็เช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ทำที่คนสามัญธรรมดามีกิเลสนี้จะได้รู้ได้เห็นความรู้ก็แตกต่างจากโลกทำทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นก็แตกต่างจากโลกเวลาแนะนําสั่งสอนก็สั่งสอนในสิ่งที่แปรีต่างจากโลกไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยสอนกันเลยมีสรุปความอย่ง ความเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุตส่าห์พยายามตระฤติปฏิบัติการแนะนำสั่งสอนโลกจึงต้องทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาจริงๆพระพระองค์รู้รองค์เห็นจริงๆไม่ใช่รู้มาจากคำบอกเล่าหรือพิธีการต่างๆแต่ทรงรู้ทรงเห็นด้วยภาพปฏิบัติจริงๆ การแนะนำสั่งสอนจึงมีทั้งสอนทั้งให้เข้าอกเข้าใจในอัตในธรรมในความดีความั้วทั้งหลายซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับตนอยู่ทุกๆุกรายด้วย <c oughs> สอนทั้งวิธีประพฤติปฏิบัติควรละก็ให้ละควรบำเพ็ญก็ให้เ็นบำเพ็ญจริงๆจิงจนกระทั่งเป็นผลขึ้นมาจาก ความรู้ความเห็นด้วยการปฏิบัติของตนให้ได้เป็นที่อบอุ่นเย็นใจเจ้าของจริงๆสมกับศาสนาธ ร, รรมนี้ออกจากท่านผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาประกาศศาสนธ ร, รรมนั้นทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแน่นิดหนึ่งเข้าเครือบแฝงเลยพอที่จะให้เป็นนุรุ่มร่อนในการสั่งสอนตัดโลก ดังที่ท่านสอนว่านารกมีจริงบาปหรื อ, อบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตลอดพรมโลกนิพพานมีจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วตั้งแต่เริ่มตรัสรู้ที่แรกขึ้นมาเป็นลําดับลาําดับเราจะเห็นได้เวลาพระองค์ทรงบรรลุปุปเพนิวาสานริยานด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์เอง ตรงคิดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องหาฟองภูกน้อยใหญ่ทั้งนั้นด้วยมาจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เพียงเรื่องของพระองค์เท่านั้นก็มากมายกายกองแล้วเรื่องการเกิดการตายในภูน้อยภูใหญ่ไม่ว่าภบใดๆขึ้นเชื่อจิตตวิิญญาณซึ่งเป็นของละเอียดและอานาจแห่งกรรมและเชื่อแห่งกรรมนี้ ที่จะไม่จะเกิดได้นั้นไม่มีด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นสามัญพนธรรวดาเช่นเดียวกับเราท่านท่า น, นกับเราเราท่านท่นจึงไม่พ้นที่จะต้องเป็นตัดประเภทต่างๆตลอดจะตกนรกอาเวียสิทสวรรค์ชั้นขุนมที่ควรจะย้อนกลับมาเกิดอีกได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อทรง รู้ตรงเห็นในความเป็นมาของพระ อ, องค์แล้วก็ทําเหมือนกับว่าพระไทยหายภาษาต้องเอาเรียกพระใจหายเพราะเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่ามีตั้งแต่เรื่องแบบเรื่องอาบฟองฟุกทั้งนั้นมากน้อยตามแต่อํานาจแห่งกรรมคําว่าเกิดได้แต่เชื่อคืออวิชชาท้ายสัตว์ทั้งหลายเกิดบังคับไม่ได้ปะไม่ให้เกิด ต้องเกิดน้อยทั้งร้อยเกิดทั้งนั้นแต่การเกิดดีเกิดชั่วสูงสูงต่ำต่มีกรรมหนักกรรมเบาทั้งดีทั้งชั่วนั้นเป็นแต่พรามหน้าแข่งกรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทั่วไปมีโอกาสที่จะทํากรรมดีชั่วได้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าตนเป็นสัตว์ไม่ทราบว่าตนทําดีทําชั่วสําหรับมนุษย์เหล่านั้นพอรู้ได้ทราบได้รักเคย เคยทำดีทำชั่วมากแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความเป็นมาของตนว่าได้ทำดีทำชั่วมากน้อยเพียงไรนี่พระองค์เองก็ทรงเป็นอย่างนั้นถือทรงถือพระองค์เป็นรากเป็นฐานเป็นสักขีพยานในการเกิดการตายการตกนรโกโกรธไห่ตลอดถึงไปสวรรค์สมมาโลกในชั้นที่ควรจะย้อนกลับมาสู่โล ก, กสูงศานเยียนว่าตายเกิดยุติพระองค์ทรงได้ต้อ ง, องเที่ยวมามากต่อมากแล้ว และทรงรู้ด้วยุูเพนิวาสารสติญาณโดยไม่ต้องสงสัยในอันดับต่อไปก็ทรงพิจารณาดูสัตว์วโลกเป็นอย่างไรเมื่อได้บรรลุจตุตาตญาณในปัจจิมญาณ น, นั้นแล้วก็ทรงเห็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าจิตวิญญาณดวงใดของสัตว์ของมนุษย์ ของโลกสงสารที่อยู่ในสามเดนโลกสัสตานีมีเกี่ยบความทิ้นลุนกวน ก, ว, นกวายอยู่ด้วยอำนาจแต่งกรรมและผมของกรรมทั้งนั้นนี่ก็ก็หนึ่งว่าหรือว่าพระทรงใจหายท่าปาะสาทของเราพระพุทธเจ้าก็ตรงพระทัทยหายก็ถูกทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ผิดกันเลยจิตวิ ญ, ญญาณแต่และดวงละดวงนั้น ที่จะไม่เกิดที่จะไม่ได้เสวยทุกสุขในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นวิสัยของจักโลกแต่และรายที่จะต้องไปเกิดเพื่ออานาจกรรมของตนนั้นเป็นได้ด้วยกันทังนั้นนับแต่พระพุทธเจ้าในเวลาที่ทรงเป็นสามัญชนธรรมดาลงมาจนมาถึงถึงจัดทั้งหลายไม่มียกเวน้น เพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงเป็นพื้นเพลของสัตว์ผู้มีเชื้ออยู่ภายในจิตใจนี้จะต้องเกิดด้วยกันทั้งนั้นใครจะปฏิเสธว่าตายแล้วศูนว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็าตามนั่นเป็นเรื่องของความปิดบังของอภิชาซึ่งมันมีความชำนิชำนาญในการฉุดการลากการบังคับบัญชาสัตว์ทั้งหลายให้เกิด มาเป็นประจำอยู่แล้วใน3ามแดนโลกอนันนี้ไม่มีธรรมชาติใดที่จะมีอำนาจเหนือีิเดระเภศ ท, ที่สำคัญได้แะ่อวิชาปัิญาที่พายสัตว์เกิดตายนี้และวิบากกรรมมีชั่วซึ่งจะเป็นเงาตามตัวไปนั้นก็เป็นไปได้ด้วยกันอย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติถ้าไม่ชา่นรกดก็ยิ่งจนกระทั่งถึงลงคองจมไปเลยทั้งเจ้าของแด่รถ น่าพูดเรื่องรถน่าพูดเรื่องคิดตะวิจ ญ, ญาณก็คือว่าหมุนเกิดหมุนตายอยู่คำนองนั้นถ้าไม่มีธรรมะเป็นประเดค้ามลอ้อและตัดภบตัดชาติทะยุ่ข้ามาด้วยการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายโดยลําดับลําดาแล้วอย่างไรจิตดวงนี้ก็จะเป็นมาฉันใดก็จะเป็นไปฉันนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ความเห็นความเข้าใจของผู้ใดซึ่งเกิดมาหรือเป็นมาด้วยอํานาจของที่เหลืจิตบังแล้ว แสดงออกมาเิเรตปิดบังผิดใจของสัสตว์โลกนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับเราเอาผ้ามาปิดตาของเราหรือคนตาบอดจะเดินเหินไปไหนก็าตามกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งก็าตามคนตาบอดนั้นจะไม่สามารถว่าตนได้เคยไปแล้วในสถานที่นั้นๆแต่ ไปอยู่ตลอดเวลาหากไม่ทราบว่าเจ้าของเคยไปแล้วเพราะความปิดบังคือตาบอดเรื่องของกิตที่บอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังก็เช่นนั้นเหมือนกันเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าออกจากภพนี้เข้าสู่ภพนั้นไม่มีเวลาหยุดยัง้งเพราะธรรมชาตินี่หมุนตัวไปเองไม่มีคำว่าชราคํากล้า ถึงว่าเป็นอ น, นิจจังเพราะอยู่ในแดนสมมุตรก็ตามก็เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกิเลสไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นอัตเป็มทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความสุขความสบายหรือเป็นพอที่ให้ตายใจจากมันเลยเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงขึน่นนั้นคำว่าอนิจจังของกิเลสต้องเปลี่ยนเพืาอความเป็นกิเลสเสมอ เมื่อเปลี่ยนเรื่องความปิจิเลตแล้วอำนาทุกขังที่สัดว์ทั้งหลายจะต้องสเสวยตามหน้าแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนทําไมจะไม่มีเพราะปิเลตเป็นสาเหตุแท้ที่จะให้ทาบาปทํากรรมเราอยู่ไม่ได้ต้องทาทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่อยากทกาก็ตามแต่อานาจนั้นเหนือนเราก็ทําให้เราอยากให้เราพอใจเพราะเหตุ น, นั้นจิตใจที่มีความหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลตทั้งหลาย แมว่าเราไม่ต้องไปดูจิตของผู้หนึ่งผู้ใดเลยเราดูจิตของเรานี่ก็รู้เวลาที่ยังไม่เคยอบรมไม่ไม่เคยศึกษาในอัตในธรรมไม่เคยปฏิบัติอัธรรมเลยเราจะไม่ทราบเลยว่าจิตของเราวันหนึ่งวันหนึ่งหมุนไปในทางใดซึ่งส่วนมากหมุนไปตามชอความชอบใจความชอบใจนั้นแหลกเป็นทางเดินของเดตที่เปิดโล่งไว้แล้วให้เราได้เดินเหมือนตัตัวหนึ่งที่ถูกตูมไปเท่านั้น รวมไปจนกระทั่งถึงที่ฆ่าถึงมารู้สึกตัวแล้วตายไปเสต่แล้วนี่ตัง้งแต่เรื่องที่สายไปเแต่แล้วสายไปเแต่แล้วก็อํนานาจแห่งกรรมอันนี้หรืออํนานาจของกิเลสมันหนาแน่นทำสัตว์ทั้งหลายให้เป็นเช่นนั้นนี่เพียงดูจิตของเรานี่ก็รู้ถ้าเราดูด้วยภาคปฏิบัติศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทิตตภาวนาเป็นสำคัญมากด้วยเหตุที่พระองค์จึง ท, ทรงเน้นหนักลงมากทีเดียว ปริยญญาตั้งแต่การศึกษาะเรียนให้รู้จักเข็มคิดทางเดินที่ในการละในการบำเพ็ญแล้วปฏิบัติก็ให้ดำเนินตามตัวขาธรรมที่จัดไลยชอบแล้วนั้นๆแล้ว น, น, น, น, นั้นไม่เป็นอื่นเมื่อเราก้าเดินตามหลักธรรมชาตินี้แล้วก็สามารถที่จะรู้จิตที่จะรู้ต้องเป็นจิตที่มีความสงบตัวพอยัดยั้งทั้งตัวได้ถ้าจิตวุ่นวี่วุ่นวายใสร็จแฉะ ปิ้งไปปิ้งมาเหมือนลูกพูดบอลเชะที่ถูกที่เด็กมันเตะไปนั้นมันดันไปทางนี้อยู่แคนี้อย่างไรก็ไม่รู้เกิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตายเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิเวทุกขเวทนามาสักกี่กับกี่กันแล้วในจิตดวงนี้เพราะอีกตรงนี้ไม่เคยตายนี่แต่เปลี่ยนหน้าตาหน้าแต่งกรรมและเชื่อที่บังคับให้เกิดนี้เท่านั้นนี่จึงสามารถรู้ไม่ได้เราอยากจะทราบเรื่องของเราก็ ให้ตั้งใจแบบพฤติปฏิบัติถ้าเรียกว่าภาคปฏิบัติคารวะก็ทําได้ก็คารวะก็มีภัยเหมือนกันได้แต่ที่เหลือเป็นเครื่องย่ําดีตีแหลกภายในที่ใจหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีทำเข้ายื้อแย่งแข่งกันนั่นเองมันถึงมีตั้งแต่เรื่องของที่เหลือทำงานกันในหัวใจเวลามองเห็นหน้ากันก็มีตะปุลระบายความทุกออกมาวัดเป็นทุกอย่ากนั้นเป็นทุกอย่างนี้ ไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามกิเลสอยู่ในหนุอยู่เหนือนั้นต้องบังคับให้เกิดความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเปจนนั้นเจอกันและจะเอาความสุขความสบายที่ไหนมาพูดเพราะไม่เคยสุขเคยสบายเพราะอำนาจของกิเลสมีตั้งแต่เรื่องของความทุกข์ความทรมานเป็นลำดับลำดามาเท่านั้นจึงต้องเล่นนาออกระบายต่อกันนี่เรื่องของจิต ที่วุ่นวี่วุ่นวานอำนาจของอิเดียสมันฉุดมันลากทาให้เกิดความทุกข์ความทรมารอย่างนี้แต่เราก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นมาเพราะอะไรอันนี้เป็นไทยต่อเราหรือไม่เป็นไทยเราก็ไม่ดูร้อนเราก็ถือว่าเราร้อนเสียทุกเราก็ถือว่าเราทุกเสียแล้วไม่ถือว่าสิ่งใดมาทําให้เราเป็นทุกเกิดความทุกข์ความทรมารขนาดไหนก็ตามอยู่ในร่างกายและจิตใจของเราเราก็จะเมาเอาเราทั้งคนนี้ว่าเป็นทุกเป็นความลําบากไม่คิดเลย ว่าสาเหตุที่ความเป็นทุกข์นี้มาจากไหนมันจริงได้รับความทุกข์กาวสารไม่รู้ตัวเลยเช่นเดียวกันกับสัตว์ที่ถูกดูงเข้าสู่ที่ข่านั่นเองเมื่อจิตของเราได้รับการอบรมตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั้นนําเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจอย่ า, าะอย่างยิ่งจิตตภาวานานทําใจของเราให้สงบเย็นอย่างน้อยให้สงบเย็นใจอยูเ่เฉยเฉยให้สงบ สงบไม่ได้ต้องมีเครื่องทําให้สงบเพราะเวลาพุ่งซ่านก็มีสาเหตุมีเครื่องบังคับบัญชาให้จิตพุ้งซ่านไม่ใช่จิตอยู่เฉยเฉยจะพุ้งซ่านนั่นพุ่งซ่านไปเพราะอํานาจของกิเลสความสงบนี้จะสงบได้เพราะอนาจของแห่งธรรมซึ่งเป็นเครื่องแก้กันถอดถอนกันหรือเป็นฆ่าสิทธต่อกันลบล้างกันเมื่อเรานำธรรมเข้ามาแก้มาถอดมาถอนเฉพาะยังยิ่งทำทำบทใดที่ถูกกับสดิติตใจของเราที่ท่านแสดงไว้ ในกรรมฐานสี่ห้องในบทใดเช่นพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโทหรืออนาปานสติเป็นต้นให้นำทรรมบทนั้นๆเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วยืดทรรมบทนั้นไว้เป็นครรมบริกรรมให้จิตรู้อยู่กับทรรมบทนั้นเช่น เราบริกรรมพุโทโธก็ให้หจิตยู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธให้มีความสืบเนื่องกันโดยความมีสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาย้ายจิตทะเลถลายออกไปสู่อารมณ์อันใดเมื่อความรู้กับรรทำได้สือเนื่องต่อกันอยู่แล้วจิตใจจะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบลงไปจดุดครั้งนี้แล้วเท่านั้นก็สามารถที่จะทาให้เราเกิดความเชื่อความผโภพอใจ และความขยันหมั่นเพียรของผู้สรธาพยายามจะตามตามมาพร้อมๆกันกับความเห็นที่เป็นสถีพยานในความสงบของเรานี่แหละการกสูตรศรัทธาต้องให้รู้ก่อนศรัทธาที่เคยได้ยินได้ฟังเป็นอีกอย่างหนึ่งศรัทธาที่เกิดที่เห็นจากการปฏิบัติของตัวเองที่เรียกว่าส ik ันทิิโกแม่สมาธิก็เป็นสันทิปโกที่เราจะต้องรู้เองในตัวเองในการปฏิบัติของเราพอจิตสงบเย็นลงไปเท่านั้น ล้าความฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหลายอันเป็นเรื่องของจินั้นจะสงบตัวลงไปเพราะถูกทมได้แต่ธรรมถรรมครอบหัวมันลงไปมันก็มีความสงบเมื่อกิตสงบแล้วเย็นสบายไปหมดเหมือนกับไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ฐามแดนโลกธาตุนี้ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวเองไม่มีเรื่องอันใดเขามายุ่งนั้นเลยนั่นเรียกว่าความสงบ สงบแนบแน่นตรงไปเท่าไหรยิ่งเห็นความแปกประหลาดของอัจจันต์และอัจจันต์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้และยิ่งเห็นเป็นของแปกประหลาดในภาคปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าย้ำแล้วย้ำเล่า ว, ว่ารู้แล้วให้ปฏิบัติอย่าเพียมจําได้เฉยๆจาได้เฉยๆมันก็เหมือนกับเราเหมือนกับแกฟนบ้านแฟนเดือนทำสักเท่าไรแบบเป็นกระดาษกระกองเต็มห้องอยู่มันก็เป็นแบบ แปลนอยู่ในกระดาษมันไม่เป็นบ้านเป็นเดือนเป็นจึกเป็นดาบ้บานช่องให้เมื่อเราได้นําแปนนั้นออกมากลางแล้วปฏิบัติหน้าที่ตามแปลนนั้นย่อมสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาฉันใดการปฏิบัติสาสนาธรรมที่ให้รู้ได้เห็นภายในจิตของตัวเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านเพียงเดียวว่าสวากรสวาค า, ารธรรมจรัสไว้ชับแล้วเพราะได้ทรงรู้มาแล้วจึงได้มาสอนโลก สมาธิไม่ว่าสมาธิขั้นใดพระองค์ทรงรู้ทรงเป็นมาแล้วจึงนำมาสองโลกเมื่อเป็นดังนั้นจิตประที่ตรงไหนเมื่อว่าเีก็ยันยืนยันกันด้วยสวาคาโตพระวตาตัมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าจัดไม่ชอบแล้วเทเมื่อเราได้ดำเนินตาม น, นั้นจิตของเราไม่เคยสงบก็เห็นความสงบความสงบของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของจิตนั้นต่างกันกันกบ ความสุขทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านทางตาทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายหรือใจคิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเองก็าตางจะไม่มีสิ่งใดเหมือนกับความสงบเย็นในขณะที่จิตยังเข้าสู่ความสงบหรือสมาธินั่นเลยนี่เป็นผลให้เราเห็นแล้วดีไม่ดีต้องเป็นความตื่นเต้นภายในใจิตใจ ตื่นเต้นด้วยอาจจรย์นในใจของสของด้วยเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยแต่เราได้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้ต่อเนื่องสืบกันไปนันดัตอารมณ์อันนี้แม้จะปรุงก็ตามแต่เป็นอารมณ์ของธรรมไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งปรุงไปเท่าไหร่ยุ่งไปเท่านั้นแต่อารมณ์ของธรรมนี่ปรุงลงไปเท่าไหร่มีแท้ที่บังคับบัญชาหนานแน่นอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเกิดความสงบเย็นใจขึ้นมา เพียงทังความสงบเพีย็นใจนี้เราก็สว่างโล่ไปหมดแล้วภายในจิตใจของเราทีนี้อจจาจารย์ตัดทามิ่งต้องบอกเกิดขึ้นมาเองทำที่สูงกว่านี้มีไหมเพียงขั้นสมาธินี้ก็เป็นเครื่องจริงจันที่ทำขั้นสูงที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนมาแล้วโดยไม่สงสัยแม้เรายังจะไม่เรายังไม่รู้ประามรู้เพียงขั้นสมาธิที่ความสงบแน่นของตนนี้ ก็สามารถที่จะสืบชาตไปถึงธรรมทั้งหลายที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นแล้วประมวลเข้ามาสู่กำลังใจของเราให้เกิดความเชื่อความร่วมสาให้เกิดความรู้ษาพยายามให้เกิดความฝันฝายมีความรักให้ชอบใจที่ท่านว่าสันทาวิยะอิจตาอิมังสานะั้นจะรวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวนี้แล้วก็เป็นพลังขึ้นมาพลังของธรรมกับพลังของกิเลส นี้ต่างกันพลังของยิ่งใหญมีมากเท่าไรยิ่งเหยียบย่ําทําลายจิตใจของเราให้ทุกข์ให้ยากลําบากทรมานดีไม่ดีถึงเป็นบ้าก็มีเพราะความมันคิดมากยุ่งมากทุกข์มากแต่พลังของธรรมนี่มีมากเท่าไรยิ่งให้เราเกิดความเป็นสุขเย็นใจมีความอ่อนไปหมดภายในจิตใจแล้วเกิดความเมตตาเพราะความเมตตานี่เกิดขึ้นมาจากจิตอ่ อ, อนตัวที่สุดมีความสุขเหมือนเรามีสมบัติเงินทองก็พอ ม, มาก คนที่มีธรรมในใจย่อมจะอยากจะแจกจ่าย ใ, ให้ทานไปความรู้วิชามีมากน้อยเพียงไรเมื่อมีแล้วก็อยากจะแจกจ่ายไปนี่ธรรมมีเพียงไรภารจิตใจก็อยาาแนะอยากนำอยากสังสอนหมู่เพื่อนให้ต่อพื่ปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ได้เห็นดังธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นอยู่ประจกักษ์นี้นั่นนี่ท่านเรียกว่าสมาธิธรรมเพียงเท่านี้ก็ยังไปแล้วสร้างไปแล้ว ถ้าเป็นผู้มีนิสัยในทางที่จะรู้ใจอย่างจิตต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าพวกเปรตพวกผีตพวกเทวบุตรเทวดาอินทพมทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นถูสอนหมดแล้วทําไมเราจึงไม่เห็นพิจารณาที่พระพุทธเจ้าต่างจากเราอย่างไรบ้างมีความสามารถอย่างเรา ก, กว่าเราอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นตาของเราก็แค่รูปแค่สีแค่เสียง แ, แค่สีสันวันณะเท่านั้นเราไม่มากกว่านั้นหมูก็เพียงได้ยิน หูเนื้อหูหนังตาเนื้อตาหนังเพียงอยู่ในวิสัยเท่านั้นแต่ตาจานคือตาใจนี่ลึกซึ้งมากไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนนี่ละที่พระพุทธเจ้าเปิดออกหมดเมฆมหามืดกำปังจิตจิตใจพระไทยของพระองค์ได้เปิดออกหมดก็เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่สว่างอาจจรา์แจ้งมาเหือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างสันใด พระญาณอย่างข้าเพเจ้ามาจากจิตที่สว่างไสวภายในพระองค์หมดแล้วกระจายแก้งไปหมดทีนี้สิ่งใดที่มีอยู่อย่างใดทําไมจะไม่เห็นนรกเคยมีมาตั้งแต่ตั้งเดิม mm hmm. เคยเอาตัดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนไหนถ้าจะพูดถึงเรื่องการเกิดของพระพุทธเจ้าหรืออุบัติของพระเจ้าหรือเราอย่าพูดเลยว่แบบเช่นอย่างสิบ อ, อ, องค์หรือห้าองค์ หรือห้าร้อยองก็ตามหลัคนที่เราเคยเห็นในตำนานตำนานเป็ น, น, นล้านล้านล้านล้านเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเิดได้สิ่งที่จะทําให้จิตใจนิ่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้คืออะไรท่านก็นยืนยันไว้แล้วตั้งแต่ศีลสัตว์รูุใหม่ใว่าอริยสัจสี่นั่นอริยสัจสีคืออะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธมาก นี่แหลเป็นธรรมถือเป็นโรงงานอันสาคัญที่สุดที่จะการกรองจิตของผู้มีกิเลสให้เบาบางลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นที่เลสได้จากอายตดสัททั้งสี่ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องยืนยันจิตที่บริสุทธิ์นั่นได้จากอันได น, นอกจากอายัสัทธ์นี้เท่านั้นอายตดสัสีนี่มีอยู่กับใครบ้างมีอยู่กับเราเป็นแต่เพียงมากยิ่งย่อนกว่ากันเท่านั้นเช่นทุกสมุทัยมันมีมาก มากคือภาอปฏิบัติของเราก็มีกําลังน้อยนิโรธความที่จะดับทุกนั้นจึงยังไม่ปรากฏมีแต่ทุกโผมตัวเข้ามาเผาทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัจพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ปัจจุบันเหล่านี้ท่านก็ทรงรู้จากอริยสัจนี้เองอริยสัจนี้เป็นเครื่องยืนยันโดยเครื่องกันกรองจิตให้บริสุทธิ์ได้บรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะไปไหนเมื่อ พระพุทธเจ้าหลายๆองค์เป็นไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เป็นได้อย่างไรก็เป็นได้อย่างเดียวกัน เ, เพราะมีเครื่องการเครื่องกรองให้เป็นด้วยการปฏิบัติเอาจริงเอาจรงของตนทีนี้จนเข้ามาถึงพวกเราทั้งหลายอริยสัจสี่ก็มีอยู่ด้วยกันและตั้งใจมาพิพารปฏิบัติก็ต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาจนได้เมื่อรู้เห็นแล้วจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าว่าไม่มีได้อย่างไรจะปฏิธ์เสธมรรคผลนิพพานว่าไม่มีได้อย่างไร ทุกขังอริยสัจจังรู้อริยสัจมันรู้อย่างไรเราก็รู้ประจักษ์แล้วภายในจิตใจของเราสรรมุไทรยะ อ, อริยสัจจังธรรมุไทร์เป็นของจริงเป็นอย่างไรเราเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเพราะอริยสัจทั้งสี่นี้ทําทํางานเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกเราจะกําหนดทุกรู้ทุกแล้วจึงมาลื้อถอนธรมุไทร์แล้วจะบำเพ็ญสติปัญญาหรือมัดให้เกิดต้องที่ท่านแสดงไว้ในอริยสัจนั้นคือว่า ทุกพึงกําหนดรู้สมุทัยพึงเพียนละนิโรธทำคือความดับทุกข์พึงทําให้แจ้งมากโอเคอบรมให้มากให้เกิดให้มีถ้าพูดตามหนังสือเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกไปอยู่ในโลกหนึ่งสมุทัยไปอยู่ในทวีปหนึ่งมรรคนิโรธไปอยู่คนละทวีปทวีปกว่าที่จะนํามารวมตัวแก้จิที่เรียกถอดถอนตัวให้ผุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่มีหวังตายทิ้งเปล่า ถ้าตำหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติอ้าวเราไม่ต้องเอาที่อื่นเอาตัวของเราผู้ปฏิบัตินี่แดเป็นเครื่องมือกราะพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วด้วยการปฏิบัติจึงได้นํามาเป็นครูสอนโลกเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้สามแด่โลกประท า, าเป็นยังไงอนี้นำเขาอริยสัจที่เข้ามาปฏิบัติครขาเวลาเรากําหนดว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นแล้วในตัวของเราทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไร น, นั่นคือปัญญาเริ่มแล้ว ้าตีเริ่มแล้วสร้างต่อเข้าไปแล้วเกิดขึ้นมาเพราะอันใดสาเหตุอันใดนีน่เราขอขอแสดงเพียงย่อๆเพื่อให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ถือเป็นเงื่อนหรือเป็นปากเป็นทางต่อไปแล้วให้เห็นประจักษ์ในตัวตนแล้วจะแล้วจะหาที่คานตวาขาธรรมนี้ไม่ได้เลยจะยอมกราบพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และกราบพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่ากับหนึ่งว่าเท่าเม็ดินแม็ตายเพราะับจะรู้แล้วครับ จะรู้แล้วแต่จะรู้เล่าอยูตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันไดนไม่ใช่พระพุทธโลกอันนี้ ม, มีมาเพียงกี่ปีกี่เดือนร้อยปีสองร้อยปีที่เท่านั้นมีมากี่กับกี่กันโลกกับธรรมเป็นคู่เที่ยงกันมาโลกกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่รรทรงตรัสรู้แล้วนํามาสอนโลกนี้เป็นคู่เคียงกันมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องตรัสรู้เรื่อยมา โดยลำดับลำดาดังที่เราเห็นนี้ปัจจุบันนี้ก็บพระพุทธในประศักดิ์นี้พระพุทธเจ้าของเราก็องค์ที่สี่นี่เป็นยังไงองค์ที่สี่ท้าสมราภดงองค์งที่ห้าพญเมตไตรนั่นจะเรียงลําดับกันไปอย่างนั้นหมดนี้แล้วประชมายอยีกข้างหน้าเพราะหมุนไปเช่นเดียวกันเพื่อช่วยสัตว์โลกหากไม่มีธรรมนะมาอี่เลยสัตว์โลกที่ จ, จมอยู่ตลอดเวลาหาทางขึ้นหรือหาทางออกไปไม่ได้มีแต่ทางเข้าหมุนไปเรียนมาเหมือนกันหมดแดงไส่ขอบไต่ขอบลงมาเด ง, เ, งเมื่อทำมีก็พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์เท่านั้นก็สามารถที่จะลื้อผลัดให้พ้นจากโลกผู้ที่ควรจะพ้นไปโดยสิ้นเชิงได้จะเป็นอาหารสำหรบคลก็ใหเไไ้เป็นไปได้เป็นไปได้ผู้ที่ ยังไม่ถึงขานาดก็นหนุนตัวเข้ามาหนุนตัวขึ้นมาเรื่อยๆความนาาแข่งการประพฤติศักดิ์ความน่าแข่งการสร้างความดีหนุนไปโดยลำดับเมื่อพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หมดสิ้นไปแล้วศาสนาองค์ต่อไปนั้นก็นมาก็หนุนอีกอุปนิสัยเหล่านี้นี่ะจึงเทียบกับว่าคนไข้ที่มีหมอมียานั้นมีหวังที่จะหายไปได้นอกจากคนไข้ประเภทไอซีดูพอเช่นเดียวกับประเภทที่ว่าปทะปรมะ ในจดิติสายของตัดโลกก็มีเช่นนั้นเหมือนกันกุคติจันยูคือผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วมีนะีน่ปจิตจันยูผู้ที่รู้รองํำดับกันก็มีเนยยะผู้ที่พอฉุดพอลากพอแนะนำสั่งสอนตะเกียวตกากันไปได้ก็มีปัทถาปรมะชุดวิสัยหมูมีตานีอวัยวะทั้งหมดนี้มีปอดหมดหัวหม ด, หม ด, หมดไม่สนใจในศีลในธรรม ในบาปในบุญแต่แ ต, แต่แล้วสร้างตั้งแต่บาปมันยังข่ำบุญยังดุมผู้นี้เองเป็นผู้ที่จะรับเหมาทั้งหมดในเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายทีนี้คำว่าบาปไม่มีใครจะเป็นผู้รับลมปากมันรับไม่ได้นะลมปากว่าบาปไม่มีลมปากไม่ยอมรับผู้เจ้าของคือใจดวงไม่ตายนั่นแหละเป็นผู้จ ะ, ะเสวยบาปเสวยกรรมตกนรกก็เหมือนกันว่านารกไม่มีลมปากมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ได้ไปตกนรกสัตว์ผู้ทำกรรมมันชั่วช้าดะเบิดนั่นแหละมันไปตกนรก เกินไปหมดนั่นฟะังสิไปสวรรค์กเหมือนกันในนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีไม่เคยมีชั้นใดหรือนรกลุมใดได้ว่างจากศัตทั้งหลายไม่เป็นความชั่วทั้งหลายโดยไม่รู้สึกตัวว่าจะสร้างความชั่วดีไม่ดีว่าตาไม่มีบุญไม่ไม่มีและตายแล้วศูนย์คำว่าตายแล้วศูนย์นี่เป็นบทที่ที่เลือดมันย่ำหนักที่สุดเหมือนคำว่าพูดว่าศูนยพันถ้าเป็น ถ้าตึงสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับว่าสูญทันแต่จิตวิเดตนันไม่ได้ธรรมชาตินี่มันโกงข้าเมเพิ่มเพิ่มพันุ์ที่ให้เกิดมากขึ้นไปถึงระดับในกิจวิญญาณแต่และดวงดว ง, ดวงที่ปฏิเสธว่าตายแล้วสูอีกนี่นี่แหละหลักสําคัญเรื่องเหล่านี้เมืตั้งแต่จิเวิเดก่อมทั้งนั้นเลยเดียวธรรมะท่านมาได้ก่อมสิ่งได้ยึงสิ่งใดแท้ท่านบอกว่าตามความจริงเช่นบรรบาปนี้อย่าทําบาปนะ การทำบาปเป็นความทุกข์พระองค์เคยทุกข์เพราะการทำบาปมาแล้วจึงนำมาสอนโลกโลกที่ยังไม่รู้พระองค์ก็รีสั่งสอนแนะนนำด้วยด้ว <พอ S 2> ความถึงใจถึงใจถึงพระไใยเหมือนกับใจหายรีบเน้นำสั่งสอนตัดโลกด้วยความถึงโทษจริงๆไม่จะธรรมดาเหมือนกับไปไม่บ้านมาเดือนไปฉุดแต่ลากคนที่กำลังจะถูกไฟเผาอยู่ในบ้านเรือนนั้นออกมาอย่างไม่รู้จักเป็นจักตายสำหรับพระองค์ที่ช่วยนี่ผู้ที่ช่วยคน ถูกไฟไหม้ก็เหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าที่ทรงช่วยจัดโลกที่ถูกบาปกรรมทั้งทั้งหลายมันเหยียบย่ทำทํำลายผู้ตกนรกก็เป็นนมาตกไปแล้วมันสุริสัยผู้ที่ควรจะแก้จะถอนจะถอนช่วยได้อยู่พระองค์กัพยาระเสกเสกายตั้างสวรรค์กลับจรูร้แล้วสอนโลกตั้างสวรรค์กลับรู้จนกระทั่งปกรณิผ่านเฉพราะพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ยังประทานพระอุบาสธรรมังสอนคือทางเดินหรือบรรลัยเอาไว้ เพื่อให้เราได้ไต่ตามนั้นให้เดินตามนั้นแล้วจะค่อยเบาบางแล้วจะแคล้วคลาดปอดไยัยแม้จะถึงแต่ไม่ถึงปณิพานาแต่ก็ยังไปสู่สถานที่เป็นสุข็โตเกิดก็เกิดเินถ้าคนบุญกับคนบาปนี่ต่างกันคนบาปไปเกิดต้องไปไปสิ่งที่เป็นพื้นศาสนาเช่นตกนระกบุกไหมใครอยากจะไปตกแต่แล้วมันก็ไปตกได้เพราะความคั น, นองของตนความอยากของตนนั่นแหละเป็นของน้ําขัดแต่พาะอย่างยิ่งบาบาไม่มีเนี่เป็นตัวที่เสริมคนให้ทำบาบามากที่สุด ทำบาบาไม่มีต้องอยากทำตั้งแต่ความชั่วซึ่งเป็นทางแห่งบาปที่จถลยมาแห่งบาปแล้ว่ตายแล้วศูนย์แล้วแล้วกันเมื่อตายแล้วศูนย์แล้วนี่เรามีชีวิตอยู่นี่เราอยากทําอะไรแล้วก็ทําเพรอตายแล้วหมดความหมายตายแล้วศูนย์นั่นแหละผู้ยิ่งจะเมาเอาคําเอาบาปเอากำเอาความทุกข์ทรมาเพราอตายแล้วมันไม่ศูนย์จะว่ายังไงพระพุทธเจ้าองค์พิจิริเดชวิเศษที่โสเลิศโลกเป็นผู้ ชงแสดงไม่ได้แล้วเนี่ยกิเลสมันมีเศษวิสูติตรงไหนทั้งจะเกิดมามันเกิดไปถึงสวรรค์นี่ผ่านที่ไหนมีแต่มันเผาหัวใจคนเหยียบย่ำหัวใจคนนี่ตลอดเวลาถ้าว่าตาแล้วสูญจริงกิเลสมันเอามันอยู่กับอะไรพิจารณากันเลยถ้าวตาแล้วสูนญกิเลสมันต้องสูญไปด้วยที่ใจสูญไปแล้วนี้เห็นไหมความทุกข์ความลําบากความอยากความทะเยอทะยานราคาสันหายิ่งพ่อยิ่งคู่ยิ่งมากปู่ขึ้นไปโดยลําดับลาดัเราไม่เห็นหรือในหัวใจเรานี่แหละเราไม่ต้องไปดูหัวใจคนอื่นมันเหมือนกันหมดในโลกธรนี้ นี่ทีนี้ขอย้อนเข้ามาถึงเรื่องการปฏิบัติที่จะให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ปิดไม่อยู่ขอให้ปฏิบัติเถิดอุปนิสัยสามารถที่จะรู้กว้างแค่ขนาดไหนในสิ่งภายนอกนอกจากอายาัตว์ที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ไปแล้วยังสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ลองมาบริจาคลงมาเป็นลำดับลำดับนี่แหละภาสาวการหันท่านเป็นเครื่องมีกันถพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้ยืนยันพระเจ้าไม่เพียงแต่ยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าบริสุทธิ์มาจากอะไร คือบริสุทธิ์มาจากอริยสัจสี่อริยสัจสีเป็นเครื่องกันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์บแท้แล้วความรู้ถึงเหล่านั้นล่ะยกตัวอย่างจะย่อๆเช่นอย่างพระโมคคัลลาท่านไปเห็นเปรตเห็นผีเห็นอะไรแล้วมากราบบูรพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับสั่งโอ้ยเรื่องเราสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นมาแล้วตั้งแต่ครั้งโน้นครั้งน้นนานเป็นสักขีพยานไหมที่จริงนานภายนอกก็เป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงเป็นสักขีพยานของภูรพุเจ้าได้ และการแนะนําสั่งสอนก็สั่งสอนอย่างเต็ม อ, อกเต็มใจเต็มความสามารถสั่งสอนด้วยความเมตตาจริงเพราะท่านรู้ท่านเห็นในสิ่งทั้งที่เป็นโทษทั้งที่เป็นคุณมาแน่เต็มหัวใจทําไมท่านจะไม่สอนใต้เต็มเมตเต็มหน่วยไม่จะไม่สอนด้วยความหวาดกล้าหาญในสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาแน่ทั้งอีู่ั้งชั่วนั้นหรอนี่เป็นอย่างนี้นี่เราอยากจะให้เห็นเรื่องของเราเราก็พยายามทําใจของเราให้สงบลองดูเป็นยังไงเพียงใจสงบนี้เท่านั้น ก็เป็นเรื่องประเสริฐแล้วสําหรับเราที่ไม่เคยเปรไปบเห็นธรรมที่สูงกว่านี้นวันหนึ่งเชนอย่างเราไปทํางานเนี่ยอยสมมติว่าในขณะนี้เราทำภาวนาของเราจิตใจขเราได้เกิดความสงบแบบประหลาดอันจัริขึ้นมาเนี่ยวันพู้นี้ไปทํางานจิตจะประวัติอยู่กับธรรมทั้งวันจะประวัติอยู่กับสมาธิทั้งวันอิ่มเ อ, อิบอยู่ตลอดเวลานั่นความสุขที่เกิดจากสมาธินี้มันทําให้เราเราอิ่มเ อ, อิบตลอดเวลา ไม่ได้เหมือนกับปิ่มทั้งหลายที่คิดไปเท่าไรร้อนเท่านั้นคิดไปร้อนเท่านั้นว่าชอบเท่าไรยิ่งร้อนชอบเท่าไรยิ่งร้อนทั้งรักทั้งสงวนทั้งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งตังบนวุ่นไปหมดมีตั้งแต่กองทุกข์เขาเจ้ า, จาของเขาของส่วนสมาธิธรรมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมีตั้งแต่ความรักใคร่ความใฝ่ใจวิเศษความอะไรเสียดายอยากจะทําตลอดเวลานั่นแหละรถดดแห่งธรรมแค่เข้าถึงใจแล้วจะเริ่มชนะทีเดียว เราจะเริ่มเห็นความพุ้งซ่านนาขาลของใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเดกิดขึ้นมาเลย ล, าลาําดับตลาดับยิ่ยงจิตมีความสงบคําว่าสงบสงบเนี่ยสงบครั้งหนึ่งหนึ่งนั้นสามารถที่จะสร้างรากฐานจิตใจให้มีความแน่นามั่นคงขึ้นเป็นลําดับลำดับจนกระทั่งว่าเป็นสมาธินะั่นคำว่าสมาธิคือความแน่นามั่นคงของใจอันเป็นฐาสนสําคัญซึ่งความสงบนั่นแหละเป็นผู้หนุนผู้หนุนให้เกิดขึ้นมา คำว่าความสงบนี้กรุณาอย่าได้คานนะขอให้เป็นในจิตใจของท่านผู้ปฏิบัติเองการคาดการหม า, า, าไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เป็นในเจของเองคือคำสมาธินี้เป็นอย่างไรท่านว่าคณะสมาธิสงบเพียงเล็กน้อยสงบเพียงคู่หนึ่งยามเดียวแล้วถอนออกมาพอให้เสียดายนีประการเน่อองประการที่สองุอปจารสมาธิพอจิต สงบเข้าไปแล้วไม่ลงถึงฐานแห่งความสงบและถอยตัวออกมาแล้วไปรู้สิ่งต่างๆจะเป็นรู้อะไรก็ตามที่แรกมักจะหลอกซะก่อนเพราะแต่เป็นนิสัยอันนั้นจะต้องเป็นจะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องกินจนได้เมื่อรู้จกักวิธีปฏิบัติต่อความรู้ความเห็นต่อสิ่งที่รู้เห็นนั้นแล้วแต่ถ้าเรียกวุปเจารสมาธิคือเข้าไปแล้วให้ถอยออกมาเที่ยวคือเที่ยวรู้นั่นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้ผิดบ้างถูกบ้างใน ขั้นเริ่มแรกเพราะเรายังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยปฏิบัติต่อเมื่อได้รับคําอบการอบรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยมีความทานี้ํานาญมาแล้วท่านแนะถึงใดควรอันใดไม่ควรถึงใดควรเสริมถึงใดควรตัดเข้ามาท่านแนะนําแล้วปฏิบัติตามนั้นในเวลานหนึ่งหนึ่งความรู้กับเห็นของเจ้าของนั่นแหละมันเป็นครูของเจ้าของคิดก็เป็นครูสบถูกก็เป็นครูและสอนเจ้าของไปแตตัวแล้วกระทำทอ ง, ท, งทำนี้ํานาญ ต่อไปก็เป็นความจริงขึ้นมาเรื่อยๆนี่เรียกว่าปุปตะจาระสมาธิอัปปนาสมาธินั่นคือความแนบแน่นของของใจอยู่เฉยๆก็ตามท่านเรียกว่าอัปนอปนาสมาธิคือมีความมั่นคงอยู่ตลอดแม้เราจะคิดอ่านใจซองเรื่องใดอยู่ได้ก็ อ, อยู่ก็ตามทั้งทั้งที่เราไม่ได้เข้าสมาธิแต่จิตนั่นมีความแน่นฝัง เ, เหมือนภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในตัวเองขอขอให้พูดเต็มปากเลยว่าอยู่ในท่ากลางอก ไม่ได้อยู่บนสมองสมองนั้นที่เป็นที่ทํางานของความจับแต่เรื่องทําแล้วจะทํางานที่กรงกลางคือตัวอกของเราเนี่ยจะตรงไหนก็ตามให้คุณเข้าใจเอาไว้ว่ากรงกลางอกของเราจิตเป็นสมาธิก็เริ่มทองสายเริ่มสงบที่หัวอกของเราท่องสามากน้อยอย่างไรสังเห็นอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ขึ้นบนสมองเลยนยี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิที่นี่เวลาเป็นสมาธิก็ใน เต็มที่ของตัวเองแล้วเราจะคิดจะอ่านอะไรได้ก็ตามอยู่ก็ตามไม่ได้เข้าสมาธิแต่จิตนั้นย้อนมาดูเมื่อไรแน่นฝืนแน่นฝืนตลอเวลานี่คือฐานสมาธิได้คงตัวแล้วได้สร้างฐานขึ้นเต็มที่แล้วทีนี้พอเราย้อนเข้ามาสู่สมาธิจากภาวนาเพื่อรับตับอาการของคําคิดความฝืทั้งหลายซึ่งเป็นแขนงของจิต <c oughs> แล้วจิตที่จะสงบตัวก็มาเข้ามา และสงบอย่างรวดเร็วเพราะความชำนานของผู้มีสมาธิขั้นนี้กําหนดเมื่อไรได้เมื่อนั้นแน่นตึงเลยอาการทั้งหลายที่เคยคิดเค ย, เคยตุงนั้นหมดเงียบเหลือตั้งแต่ความรู้ที่อัศจรรย์แน่วอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งพอเข้าถึงที่แล้วตอยหมดโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีแม่ที่สุดร่างกายเขาจะของหมดความรู้สึก ไปโดยสิ้นเชิงเสือแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นนั่นก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของที่มีตั้งแต่เราเรียนตันตลาดตาราท่านตําราท่านดูแล้วท่านเหท่านบอกเราแต่เราไม่ทํามันก็ไม่รู้ไม่เห็นก็เลยความรู้สมาธิก็ไปอยู่ในตําราเสียปัญญาก็อยู่ในตําราเสียอยู่ในกัมปีเสียพิมุตติพ้นอยู่ในกัมปีเสียตกโลกเวทีเป็นเรามใช่ได้เหรอต้องปฏิบัติธรรมะเบอร์เจ้าไม่ใช่ธรรมะของเล่น รู้รู้จริงๆริงวันกวายจริงๆรตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมของเลิศของประสวิจริงๆพระองค์เลิศแล้วในหัวใจไม่มีหัวใจใดเลิศยิ่งกว่าหัวใจของผู้สิน้นเกลเลิเลิศอยูใ่ในหลักรรมเป็นหลักธรรมชาติๆๆนั่นเราปฏิบัติทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำไปของไม่อยู่รานการทำของพระเจ้าจะผิดอะไรกับตลาดแต่มรรคผลไม่ผ่า น, านถ้าเราจะเทียบเสมือนข้างร้านใหญ่ ๆ, ๆอ้าวสินค้ามีกี่มีกี่ประเอ้าเรามีเงิน แม่ต right so, ้องมาเงินม like ืเง like ินแสนเอาเงินล้านล้านไปซื้อสิของในร้านเป็นยังไงจนกรอบจนมูมไหมตอนนั้นราคาทอนนั้นนั้นราคาตอนนั้นได้หมดนี่ก็เหมือนกันตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมพื้นพื้นแห่งบุญการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาทําลงไปจะปรากฏขึ้นจากสาธารธรรมที่ทั้งนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งถึมุดตุจทนี้เรียกว่า ราคาสินค้าที่สุดยอดที่สุดก็ได้เกิดวิบูตรพรนิพานจะรู้ขึ้นจากก า, าธรรมของพระเจ้านี้ไม่เป็นของอื่นเลยไม่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นที่อื่นจะเป็นขึ้นจากอีกที่เท่านั้นนี่การปฏิบัติธรรมทำใหเห็นอย่างนั้นสินี่มีตั้งแต่ท้องบนตั้งแต่วัตถยายี่มีตั้งแต่เมื่อถามแล้วถือศาสนาอะไรอยากจะพูดตั้งแต่อยู่ในท้องนู่นหรือศา ส, สนาพูดพุดลูกก็พูดแม่ก็พูดพ่อก็พูดแล้วบาง การกระทํานั้น ม, มันเหมือนป้ามันทําไมยังมาเหมือนป้าบางไปกินเหล้าแล้วสิฮะทั้งๆที่รู้อยู่ว่ากินเหล้านั้นเป็นอะไรชุรามเป็นอะไรคือเครื่องมือเมากินเข้าไปแล้วทําคนให้เสียความเป็นปกติดีงามนี้ไม่ดีก็เป็นบ้ากินมากๆแล้วเป็นบ้าขอภัยมากๆแนละ้วพูดตามความจรงิงแต่ผู้เป็นเป็นได้ผู้พูดตามทําไมตามไมได้บางทีขี้ทะลักออกก็ม า, ามันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหมโทษของชุรานี่ใครเป็นคนสอนไว้ เราทำไมต้องฝ่าต้องฝืนอนัตสนาถ้าเราเป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธดืด้อด้านสังหารธรรมของมุขเจ้าสังหารศราสนาองมุเจ้าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทท่านก็แสดงไว้แล้วว่าทุทธบริษัทนี้แหละจะเป็นผู้ยังศาสนาให้จเจริญจะทําศาสนาให้เสือ่อมให้จมหายไปจะเป็นใครก็คือพวกใกดก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนี้บานาฆากันเร็วยิ่งกว่าลินอคินาฉกรักเผลอไม่ได้ทั้งที่ชาวพุทธอะไรจึงต้องเป็นอย่างนั้นตามเมตุไม่ฉาจาญยิ่งส่งยิ่งเสริมยิ่งวุ่นยิ่งวาย เวลานี้ไม่มีขอบเขตชุนักสู้ไม่ได้เดียวสเกียกกราา์สกการหาแต่เรื่องเป็นป้านี้มาเนี่ยาาราคาตันหาเวลามันเกิดแล้วเป็นยังไงตั้งสิมันเป็นของดีไหมไม่มีขอบมีเขตไม่มีเหตุมีผลมีแต่ความอยากความประเยชทะยาน ด, ดิ้นอยู่เราก็เห็นไหมชุนักเวลาเขาคึกเขากะนองโอ้ยกัดกันขีดแหลกไปหมดเลยตัวตายก็มีตัวยังก็มีเสียตัวเสียชุนักไปมากมายบอกในเวลาที่มันคึกมันกระดก นี่จิตใจของเราคึกขนองไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาไม่มีธรรมเครื่องปราบตามเลยมันเป็นแค่นั้นเน่ยท่านจึงสอนว่าการมเมตุนิจฉาจารยให้มีภาคปฏิบททัติตั้งที่พระก็มีภาคปฏิบัติตามเรื่องของพระโยมก็มีภาคปฏิบัติตามเรื่องของโยมแล้วจะงามไปหมดนะในครอบครัวของเราก็งามในตัวของเราก็งามเฉพาะอย่างยิ่งศีลท่นทานี้พออยู่พอกินแล้วเต็มภูมิของครารวะแล้วการมเมตุนิจฉาจารย์ก็ให้มีขอบมีเกียรตรู้ ว่า น, นี้เมียเรานั่นเมียเขานั่นของเขานี่ของเรานั่นสามีเรานี่สามีเขาให้ต่างคนต่างรักษาขอบเสือกจนด้วยความเข้มแข็งด้วยการเพิดทุนทำของด้วเจ้าคือการเมียที่มีจ้านี้ไว้ใครจะเป็นผู้เยน็นเรานั่นแหละเป็นผู้เยน็นสามีก็เยน็นภรรยาก็เยน็นไม่ต้องระแวงแขงใจซึ่งกันอากันไม่ต้องทะเลาะบอกแย้มกันกับสิ่งเหล่านี้ไปเถอะจะไปไหนไปอยากไปไปทํางานในบ้านนอกบ้านไปเลยเออ ถ้เมื่อรู้ตามหลักของศีลธรรมปฏิบัติตนตามหลักของศีลธรรมแล้วเย็นไปหมดมูสาก็เหมือนกันเคำโกหกใดก็ตามจะขอสรุปเลยเรื่องมุสานี่โกหกใดก็ตามมันไม่เท่าไอสามีมาโกหกภรรยานะ้นภรรยาโกหกสามีไอเรื่องราคากันหาเรื่องการมีชีวิตชายนี่สำคัญมากยานําไปใช้เพื่อจะได้โกหกแบบนี้นะอืมสุราก็ได้พูดแล้วแต่กี่นี้คือน้ําเมาน้ําบ้านี่ถ้าเรารักษาเพียงศีลห้าตัว น, นี้เป็นยังไง มันสวยงามไปหมดรายครอบครัวย่อเรือเย็นไปหมดนั่นแหละเรายังไม่เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมอยู่หรือเรายังว่าศาสนาศสาธรรมนี่หมดมะฝนนี่ฟานก็หมดแล้วที่ตัวของเราไม่มีคุณค่าอะไรที่จะสนใจประพฤตปฏิบัติต่อหลักศีลหลักธรรมแล้วเราจะอะไรมีคุณค่าศาสนาทั้งสอนลงที่หัวใจคนสอนลงความประพฤติของคนแต่ความประพฤติของเรามันเหมือนกับเลีงเนี่ยใจของเราเลีงร้อยตัวสู้ไม่ได้มันดิ้นมันดีดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงค่าบางทีนอนไม่หลับ ความคิดมากยุ่งเหยิงวุ่นวายมากเรายัางไม่เห็นโทษแห่งกิเลสมันฟัดหัวเราอยู่หรือแล้วเราอย่ไปตำหนิทำว่าไม่เกิดไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ทันใดเลยเรียนก็เรียนมา ง, งั้นปฏิบัติเราปฏิบัติปฏิบัติอย่างนั้นยังไงมันไม่ได้ปฏิบัติทา่านเลยเพียงว่าให้สวดมนต์ว่าพระอรหังต์ธรรมะมันจะหลับแล้วนั่นอยู่ในห้องช้าแล้วนะ่ะว่าดิพอพุทโธพวตพุโตแอไปแล้วอาโลกระถาดนทนี่กิเลสมันลากไปถลุงมลแล้วกลับมามีตั้งแต่กระดูกเนื้ออาไปกิน ขี่เด็ดหนังเอาไปกินหมดแล้วขี่เด็ดตัดไตไส้กรูี่เด็ดไปกินหมดเรายังมาข้าวข้าวสบายย่งเหลือดจากระดูกก็นอนได้ถ้างขี้เด็ดได้กล่องแล้วคนเราเอาที่นาสนี่เราขอให้ท่านทั้งหลายนํเราปฏิบัติสาระธรรมของพระเจ้านี้คือตลาดสามขวดนี้ผานอากาลิโกหมายคำว่าอย่างไรอืมอเรากาวเราสวดอยู่ทุกวันสวดขะโตตรวาตาธมุนสถานที่กูอากาลิโกนะทำมีการมีเวลาเมื่อไหร่ขอให้ปฏิบัติตามหลักนั้น พระพุทธเจ้าจะงโง่ถึงขนาดนั้นเกี่ยวหรอมรรคผลที่ผานหมดแล้วสิ้นแล้วยังมาประกาศทำสอนโลกปล่าวๆอยู่จะสมชื่อสมนามหรือว่าพระุทธเจ้าเป็นศาลาเอกของโลกให้เราคำนึงถึงท่านผู้เป็นศาสลาที่ชนดขนาดไหนทรงมากทรงผลมาแล้ ว, วเรื่องผลกลไกิจอะไรก็แนะนําั่งสอนโลกด้วยเหตุผลกลไกนั้นนอกจากว่าพวกพุทธบริษัทที่มันดื้อมันด้านสันด า, นนดานยากเข้าไปทุกวันทุกวั น, วนต่อไปที่ศาสนาจะมีเหลือในหัวใจของมนุษยนะ์เรานั้งจะมีตั้งแต่ชื่อแต่นามเท่านั้นแหะ แล้วคนจะตกนกรกบรือไม่ทั้งเป็นนี้แหละยังไม่ไปตกนรกเมืองผีก็ตกนรกเมืองคนนี้แหละวันหนึ่งวันหนึ่งหาความสุขความสบายไม่ได้เลยเอามีเรลืองเงินมีเงินสมบัติเงินทองมีความฉลาดมีแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหรือเ่ามันเป็นไฟกลายเป็นจุลทั้งกองเงินกองเท้าภูเขาที่ก็เป็นกองฝืนทั้งกองเพราะเจ้าขอ ง, ง, ขอ ง, ง, ของไม่รู้วิธีปฏิบัติทำให้กิเลสมันผ่าใชา้เงินเหลืองทองเหล่านั้นมันเอาไปถลุงหมดแค่เจ้าของเดียบรอดขึ้นทุกวันทุกวันนะ สิงใ ด, ก, งดก็สิงใดก็ตามความรูค้ความฉลาดมันก็ฉลาดไปในทางที่จะทําตัวให้ขี้ผายไปฉลาดไปทางสังหารตัวเสียเนี่ยฐานะดีชั่วอะไรมันก็เป็นความสําคัญของกิเลสของกิเลสเข้าไปทํางานอย่างนั้นหมดเนี่ยเรารู้ไหมเรายังภูมิใจอยู่หรือว่าเรามีฐานะมีเงินทองเข้าของมากมายแต่ขเรามีความรู้ความฉลาดเรามีฐานะดีเรายังภูมิใจอยู่หรือเวลานี้มันยังเหลือกระดูกเราคิดบ้างที่เท่าทําหมูยาเวก็ไปจับแล้วจะรู้ทันที ถ้าไม่จับก็จนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้ธรรมุนเจ้าสอนคนให้รู้ไปจะสอนคนให้หลงไม่ให้งมงายเวลานี้พวกเรางมงานขนาดไหนแล้วชาวปุตต้องขอไปด้วยนะนับหลวงตาบัวก็ด้วยหลวงตาบัวนี่มันตัวงมงานจึงต้องมีตั้งแต่เรื่องสมายมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยขอให้ท่านทนายนำไปที่นี่ที่เจรจาแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงประเด็นถ้าอยากถึงสาระคุณของตัวเองอยากเห็นสาระคุณของศาสนาที่แบบผู้ทีเจ้าประกาศนั้นจริงไหมให้มันเห็นในหัวใจของของเจ้าของนี่สินี่ไม่ปฏิบัติมีแต่จะคว้าเอาผลก้าวขเขตดไม่ละ ไม่สนใจเลยเป็นยังไงนั่งภาวนาเพียงห้านาทีก็จิตโตจิตมันให้จีเดินล่างไปห้าตะพีกลับมาล้วนั่งภาวนาตั้งหนึ่งนาทีนาทีนี้ไม่เห็นได้ผลได้ผลไปอยู่อะไรแล้วนอนทันีกว่านานั่นเห็นไหมจีเดียร์มันกล่อมดีกว่ามะคนในโลกนี้มานอนมาเท่าไหร่เลยาว่าดีกว่ามันก็เลิกเกิดสัจกว่าศาสนาีเลิกกว่าธรรมะที่ไม่จําเป็นจะต้องมาถือศาสนาให้เสียไวรำเวลาเพียงความนอนที่ว่าดีกว่านาน่ะมันก็พอแล้วท่า่พาราทิสินะ กี่น้องทั้งหลายให้พจารณาวันนี้ได้มีโอกาสที่มาเทพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้ถือว่าเป็นใกล้เป็นไกลเท่าถือเป็นผู้เตยบริษัทเหมือนลูกพ่อเดียวกันคือพระพุทธเจ้าพรนะธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นพ่อที่มิเฉาทิศเป็นพ่อที่ตายจะได้ไม่มีอะไรใน3ามแสนลกธรี้ที่จะให้มิเจฉาทิศจะตายจะได้เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อเราตั้งใจอยากเป็นคนดีก็ให้ตั้งใจไปปฏิบัติ อย่าให้ตัณฑ์กิเลสลากไปถูไปทั้งวันทั้งคืนมองไปที่ไหนถ้าว่าผู้มีญาณหรือผู้ทิ้งก <vs> ิเลสมองดูเรานี่มันจะเหมือนมองดูคนบ้ากันเป็นยังไงที่เดีอาการที่มันแสดงไปอะ้รมีแต่ณกิเลสมันกลับมันดันมันเตะมันถีบยันลงไปยันลงไปเตะไปโ น, น่นเตะไป น, น, นี่ปิ้งไปปิ้งมาแล้วก็มาผลว่ายุงาย่งวา่งวาอย่งว่าพุ่นวายว่ายุ่งที่เรื่องกิเลสมันทำคนใน้สงบเย็งใจได้ว่าล่ะ ให้สงบเย็นใจได้ให้มีความสะดวกสบายได้มาเลยเมื่เรื่องพืนต้องไฟต้องถึงิเลท่านจึงสอนธรรมะลงไปเพื่อจะดับอิเลทางการเข้าใจแล้วไปปฏิบัติอันที่สำคัญก็คือว่าบาปมีบุญมีนี่นะพระพุทธเจ้าทุกทุกองจะไม่สอนค้านกันเลยเห็นบาปแล้วเห็นบุญแล้วเห็นนรกแล้วรู้นรกแล้วรู้สวรรค์แล้วรู้นิพพานแล้วจึงนํำทำ ท, ที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่มา ตั้งกับตั้งกรร น, นี้มาสอนโลกเราอยาให้ยิเดศมาอวดรู้อวดฉลาดซึ่งธรรมดามันก็แขคะทำเป็นฆ่าศูนย์ตัดเรียให้มันพามาเป็นฆ่าศูนย์ทำลบล้างบาปก็ไม่มีบุญไม่มีแล้วเอาบาปเผาตัวเองโดไม่ดื้เราอย่าโง่ขนาด น, นั้นที่เราเป็นชาพูดให้มีความเฉลียวฉลาดสอนตัวเองเข้าไปทําท่านว่ายอย่างไงให้เชื่อท ำ, ทำทำคือเป็นออกมาจากท่านพระพุทธิเดสยิเดศนี่มันเป็นตัวฆ่าสูกที่ทําลายโลกมามากต่อมากแล้วให้คิดให้อ่าน ชาวาพุทธไม่คิดไม่อ่านไม่มีใครที่จะคิดจะอ่านหรอกนี่การปฏิบัติไปฏิบัติลงไปทำรรมังเพื่อจ้านี่ควรจะได้ขั้นไหนไม่สนใจแตกที่ที่พูดถึงเรื่องสมาธิเอาขั้นของสมาธินี่พูดให้ฟังแล้วนะสมาธิที่ขั้นหนึ่งละเอียดสุดแต่ให้พี่น้องทั้งหลายข้าศ์นะให้เป็นขึ้นภายในใจตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเราขาดไม่ถูกมันกลายเป็นอะไรน อ, น, อนอกไปเสียเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียให้ พยายามทำตามที่ท่านสอนนะและจะปรากฏขึ้นมาสมาธิขั้นใดก็ตามทีนี้พูดถึงเรื่องปัญญาะปัญญาตั้งแต่เริ่มปรุณานิปัสสนาเขาเรียกปัญญานก่พรอนพยายามภาคิดภาคน้นเบื้องต้นปัญญาจะไม่ก้าวไม่เดินนะเราอยากเข้าใจว่าผู้มีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองตายเปล่าๆนั่นแหละเอาภาคปฏิบัติไปจับที่ให้มันเห็นในตัวของเราเอ ง, งสมาธิเป็นรสชาตขนาดไหนมีรสชาตขนาดไหน มันทําให้ติดได้นะสมาธิถ้าเราต้องการทําที่สูงที่ละเอียมที่เลื่เลยยิ่งกว่าสมาธิเราจรึงต้องได้ใช้ปัญญาเพื่อจะพิจารณาขี้คลายทุกโลกอนิจจังทุกขังรตามันเป็นอยู่ทั้งตัวเขาตัวเราเนี่ยคำว่าปัญญาคือการสอบสอบการที่นพิจารณาใคล้ควรมีกฎอนิจจังทุกขังรตาอสุธาอสุถังเป็นทางเดินของปัญญาเราจะพิจารณาถึงเรื่องอสุธาอสุถังก็ตามพิจารณาถึงเรื่องกฎอนิจจังทุกขังรตาก็ตาม ให้เราพิจนารณาตัวของเราและเทียบเทียมทั้งภายนอกภายในขึ้นมาเมื่อปัญญาได้เห็นเหตุเห็นผลจากการปฏิบัติด้วยการบังคับบัญชาของตนแล้วและปัญญาจะค่อยก้าวเองเหมือนกับเราเห็นผลบองงานและมีความขยันหมั่นเพียรเองนี่ในขั้นในขั้นเริ่มแรกนี้ปัญญายังไม่เห็นผลของตนที่เกิดขึ้นจากฐานะปัญญา ยิงต้องได้อาศัยการบังคับบัญชาไม่อย่างนั้นจะนอนจมอยู่ในสมาธิเพราะคำว่าสมาธิที่เป็นของสําคัญมากนะจะให้อยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้เพราะไม่ยุ่งอะไรเลยตาหูจมูกทิ้งกายระงับหมดไม่เอามาใช้เพือตั้งแต่ความรู้อันเดียวที่แนว่วนั้นก็ทําให้เธอนอยู่นั่นได้ทั้งวันนั่นสมาธิที่ละเอียดมากเป็นเช่นนั้นมันเห็นในหัวใจเจ้าของแล้วทมันก็พูดได้เองคนเราน่ะ นี่แหละมันทำให้ให้เราให้ผู้ปฏิบัติติดได้เพราะสมาธิมีรสชาติที่สาคัญมากพอแยกเข้าไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสมันจะต้องเป็นความคิดความปุงมันขี้เกียจขี้เกียจคิดขี้เกียจปรุงข้ามาอยู่ภายในยจิตอันเดียวไม่ต้องปุมยุ่งเหยิ ง, ยงวุ่นวายมีแต่ความรู้ที่แนวเท่านั้นแสนสบายนี่แหละขั้นสมาธิมัก็บอกว่าแสนสบายถ้าไม่มีปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้พอใช้ปัญญาปัญญาเบิกตนเราต้องทายทายนะ พอหยุดพอนอกจากสมาธิแล้วคําว่าสมาธินั้นเป็นธรรมชาติที่สามารถที่จะหนุนปัญญาได้ทุกขั้นของสมาธิเราอยากเข้าใจว่าสมาธิที่แน่ตัวที่แน่วแน่นสุดแล้วจึงจะมาใช้สมาธินั้นเป็นความเข้าใจผิดสมาธิขั้นใดก็ตามสามารถที่จะหนุนปัญญาให้เกิดขึ้นได้ตามขั้นของตนขั้นของตนโดยลําดับลําดาเมื่อออกจากทางด้านปัญญาที่เราพิจารณาจนมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วเข้าสู่สมาธิเวลาเข้าสู่สมาธิอย่ายุ่งกับปัญญา ให้ทำหน้าที่ของสมาธิอย่างเดียวนี่เท่านั้นเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีนะที่เวลาถอยออกจากสมาธิเข้าก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญาเอาที่ไม่มีอะไรพิจารณาให้คล่องแคล่วให้รู้ให้เห็นว่าอันนี้จังเป็นยังไงถ้ามันเห็นมาจากในหัวใจของเราทุกครังอนาาอ้าตาเป็นยังไงจนกระทั่งถึงทั่วแดนโลกธาตุมันเป็นแบบเหมือนกับเดียวกันนี้หมดแล้วจะไปยื่นไปถืออะไร น, ะนั่นเรียก่าปัญญาพอปัญญามีความสว่างกระจ่างแจา้งขึ้นมาโดยับกับๆแล้วเขาไปขัดใจพวกเรานั่นแหละ ใจที่อยู่ในสมาธินั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นไม้สูงก็สูงทั้งต้นทั้งดุน่นไม้ทั้งต้นไม้ทั้งสูงทั้งต้นมันยังไม่ได้เจราาิญในต้องเอามาเลื่อยมาใส่กบลบเหี่ยมซะก่อนมันถึงจะเป็นเครื่องอมันถึงจะเป็นสําเร็จประโยชน์ขึ้นมานี่ก็เหมือนกันเมื่อปัญญาได้เจราาิญในจิตของเราเนี่ก็มีความปองใสออกเรื่อยๆความปองใสของของจิตที่ขัดด้วยปัญญา ความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตที่ขัดด้วยปัญญาที่ต่างกันกับสมาธินี่ที่นี่ละจะทําให้จิตเทินในการพิจารณาเทิเนทได้เทิน ไ, ได้ทั้งวัน ท, ทั้งคืนเมื่อผลปรากฏ ข, ขึ้นมาในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญามีความสว่างกระจ่างแจ้งนั้นเป็นขณะที่ข้าที่เด็ดไปด้วยกันข้าที่เด็ดที่เด็ดอย่างไก็สงบตัวลงไปเรื่อยๆข้ากันไปเรื่อยๆชับลากกไปเรื่อยๆขาดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเข้าขั้นภาวนามายปัญญา คำาภาวนาเมาญาปัญญานั้นเกิดขึ้นจากทางด้านภาวนาล้วนๆไม่อาศัยอันใดไม่อาศุมาเปนเ็นเครื่องขุดเครื่อนหนุนนอกจากปัญญาขั้นขั้นเริ่มแรกนี้เป็นเครื่องหนุให้มีความธรรมิชำนาญและก็คล่งตัวปัญญาขั้นนี้แหละที่ชื่อว่าภาวนาเมาญาปัญญาเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันเคยหมุนตัวอยู่ในหัวใจของเราเวลามันมีอํานาจมันเป็นเช่นนั้นทีนี้ปัญญาเมื่อมีอํานาจเหนือกิเลสลงไปแม้กิเลส จะจังอยู่ก็ตามปัญญาจะไม่หยุดไม่ถอยจะหมุนตัวทิว่มๆหมุนเพื่อฆ่าี่เลสขี้เกี่ยวขุดค้นหาเยน็นเมื่อเจอกันแล้วก็ปัดกันปัดกั น, กนขาดส็ปัดลงไปท า, ายใจจึงกระทั่งถึงเอาขอสรุปเลยถึงขั้นมหาสติ ม, มหาปัญญาออกไปจากภาวนาไมายปัญญาที่ช่ําชองนี้เองเมื่อถึงขั้นมหาสติ ม, มหาปัญญาแล้วเอาที่นี่กิเลสตัวไหนมันมีอยู่ที่ไหนมันจะเหมือนกับไฟได้เชือ้อเผาก็ไปเผาก็ไ ป, กไปถึงจะยังไม่ไม่ก็ตามชื่อ เชื้อขลงไปมีไปไหนยูเธอลงไปได้จาะเข้าไปแล้วมันจะลุกลามไปหมดนี่เหมือนกันตปัดทรรมเป็นเครื่องแผ่เผาพิเดศเผาลงไปเผาไปจนกระทั่งถึงอวิชาปัญญาสร้างขา้ารนี่ตัวเป็นเชื้อที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดทั้งหลายตายมันปัญญาอัตโนมัติแล้วอย่งางไรแล้วยังมหาฤทธปัญญามหาปัญญาสังหารสรรพนั้นพังทลายลงไปเหลือแต่ใจร่วนๆ น, นั่นท่านเรียกว่าความบริสุทธ์ สมุทัยคืออะไรท่นานิพิจาที่สัจธรรมคืออะไรแทติปัญญาก็คือสัจธรรมคือมรรค菩萨อวิชชาคือสมุทยัยนั่นพังกันตรงนั้นเห็นไหมนี่แหละท่านาอริยสัจทํา ง, งานท่านท่านทำอย่างนั้นนี่โรดคือความดับทุกข์ดับมาเป็นลําดับลำดับโยมสร้างถึงวารคสุดท้ายอวิชชาพังลงจากใจแล้วนีโรดแสดงตัวเป็นที่ตั้งแต่ขณะ น, นั้นไม่มีอะไรมาแสดงอีกเลยนั่นท่านเล่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขึ้นมาจากอริยรรสัจสี่นี่ยืนจันได้เลย พระพุทธเจ้าพระสาวบกกี่หมื่นกี่สนกี่ล้านล้านล้านโปรองว่าตามจะไม่นอกเหลือจากบริษัทนีเลยเพราะฉะนั้นบริษัทที่บริษัทนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันทําผู้ผู้ผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เวลานี้บริษัทอาอริยสสตีมีไหที่พวกเราเราจะมาหาตำหนิตำติเตียนเราว่ามีอํานาจวาสนาน้อยคุณน้อยวาสนาน้อยให้คิดเห็มันกลองเอากลองเอากลองทั้งวันทั้งคืนกล่องอยู่ตลอดเวลามันเกินไปชาวพุทเรานั้นน่ะ มีสติสตังบ้างเนี่ย <Yeah. S 2> ทำไมกิเลสมันกลับมาอําอนาจศาสนาน้อยแล้วกิเลสมันมีอํานาจศาสนามากมาจากไหนเมื mm ่อไรนั่นมันสร้างตัวมันตลอดเวลามันไม่เห็นว่ามันมีอํานาจศาสนาน้อยบุญน้อย <Yeah. S 2> เราเวลาจ ะ, จะสร้างสวยงามความดีเพื่อปราบกิเลสอย่างน้อยเพื่อตัดภพตัดชาติให้ยนเข้ามาเช่น <Yeah. S 2> เรามีภพอยู่เป็นยังจะต้องเกิดอยู่็นหมืน่นหมื่นแสนแสนชาติก็ตัด องอำนาจของความดีของเราที่สร้างมาโดยลำดับลำดานนี้จะย่นเข้ามาย่นวัตวนเข้ามาย่นวัตจักเข้ามาเรื่องอำนาจของความดีจนว่างถึงเข้ามาขั้นเฉพาะขั้นตายตัวได้แก่ถึงขั้นสําเร็จพระโสดานะพอขั้นสาเร็จพระโสดาแล้วยังท่านว่ายังอ่อนจะมาเกิดในภพในชาตินี้อีกเพียงเจ็ดชาติ่นั้นและก็ไม่ตกนรกและมาทํากลางก็มาอีกสามชาติั ย้อนกลับมาอีกเอกิาชีเมื่อเกิดเพียงชาติเดียวชาติเดียวนั้นอาจจะได้สําเร็จมรรคผลพิภานในชาตินั้นก็ได้เช่นอย่างพระอานุลท่านสําเร็จพระสโสดามาในปัจจุบันนั้นแล้วก็พอวันจะทํา่างกายนาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหา์ขึ้นมาเต็มองค์นั่นเอกราชพิธีอาจจะเป็นชาติเดียวไม่ได้หรือย้อนลงมากับอีกชาติก็ได้อย่างไรก็ตามท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่แน่นอนที่สุด ไม่มีที่จะต้องยืดพบยืดข้าวต่างไปทั้งมากมายแต่ผู้สร้างบาปมันที่มันเป็นการอะไรขยายพันธุ์ไปไม่ใช่ศูนย์พันนะไม่ใช่ศูนย์มันขยายไปเรื่อยๆที่เหลมันบอกว่าตายแล้วศูนย์เดือศูนย์ความจริงมันแผ่กระจายพันธุ์ของมันเพื่อจะได้ร่าหัวใจของแต่โลกเ่าไปให้ท่านทั้งหลายกิจนาณ์นะคําเหล่านี้เป็นคํำของตถาคดาองค์เอกมาสอนทั่วเรา และกิเลสมันสอนพวกเรามันสอนมามากขนาดไหนเราได้รับความร่มความจมจากมันมากเท่าไหร่แล้วกลัวจะนํามาที่คาทิฏิพินาบวกลบคุณหารในรูปเหตุรูปผลรูปตน้นรูปปลายของมันบ้างแล้วปัดเกี่ยบกันเราจะเป็นคนดีขึ้นมาเราจะมีความเย็นขึ้นมาในวันนี้นี่วันนี้พูดถึงอาญาติจนกระทั่งถึงอาญาติสุดท้ายได้แก่อวิชาพังไปนั่นแหละอาญาัิที่ยอดเยี่ยมที่สุดสมุ ท, ทยัยได้แก่อวิชา มากที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือมหาเศรษฐีมหาปัญญาฟาดกันลงไปขาดสะบั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกว่าเลิ่ก็เลิ่แล้วไม่ต้องบอกว่าจะไปเกิดที่ไหนอีกที่นี่แล้วภบชาติที่เคยเกิดมามากมายคนไหนบอกในปัจจุบันนี้หมดตัวนี้เองเป็นตัวที่สร้างภพสร้างชากมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านๆ้านล้านพบคืออวิชาตัวนี้เองอวิชาตัวนี้เองนั่นทีนี้พออวิชาขาดต้องไปจาใจแล้วเอาอะไรมาเกิดที่นี่ ขาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือพราดในิตใจตลอดสรรพิธีโกอันสุดยอดประกาศตังวางขึ้นแล้วในหัวใจของผู้ปฏิบัติของผู้ที่จิตนั้นจะไปถามพระเจ้าทำไมธรรมะอันเดียวกันพระองค์คก็ทรงขอนโดยสมบูรณ์แล้วไปถามพระวิชาอยู่ยังไม่สมบูรณ์ในความรู้ของเราและหมดปัญหาไปแล้นั้นยังขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ประพฤตปฏิบัติดัดจัดทำทำทั้งหลายอย่างน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งอยาให้ลากปูงามความดีให้ระลึกถึงบาปถึงบุญบ้าง อย่าไปเข้าใจเมาส์เอาตั้นจะบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญด้านนี้จะจมละนี่สร้างความจมแม้กต่เจ้าของสร้างอย่างนี้แหละชาวพูดเราคน อ, อื่นเขาไม่รู้เรื่องขอเราเช่นอย่างจักรยานก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนี้เราเป็นมนุษย์แท้ๆเป็นชาวพูดแท้ย้ายกิเลมันเยียมย่ำทำลายหัวใจหนักไม่เหมาะสมกับความเป็นพุทธบุตรของเราเลยลนวสภาษาในกาลแสดงธรรมนี้ยังขอบุญญาหนุก้ามานุก้าสังฆาหนุก้านาโป พอท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจแล้ววันนี้ได้มาเทศเป็นธรรมบูชาแด่สมเด็จท่านกับเบื้องในเบื้องต้นม่าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ไปเลยแต่วันนี้จึงขอนอบน้อมบุญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเทศนาสอนและการมาเข็นับงอาวหลายและคิดถวายแด่พระองค์ท่านโดยสมบูรณ์ทุก ทุกปรการและขอความสวัสดีของพี่น้องทั้งหลายจงมีโดยทั่วกันเถิน <c oughs>